ต่างใจไว้ดีๆอย่าให้จิตตรงลุงไปสู่สัญญารมภายนอกทำจิตม่อยู่บกิดจิตเสียงจะได้ครับสารประโยชน์จากสารสดับรับฟังมาอย่างนั้นการฟังก่อนจะเกิดตามลำคานจึงต้องมายุเรื่อง ธรรมะแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดจำนำไปใส่จิตหรือปฏิบัติฉะนั้นการฟังธรรมะจึงควรตั้งจิตของตนให้ดีให้ตรงตรงตร ง, ตงไป้างหน้ามาทางหลังตั้งเอาไว้ในจิตในใจ ส่วนธรรมะยูท่านแสดงออกไปจะรั่วไหลซึงทราบเข้าไปสุ่ดวงใจที่ตั้งไว้ด้วยดีจะมีความสุขความเอพืพอนความสบายเพราะธรรมะเป็นเส่องสําระสักปลอกหย่ความปุ่งปุ่งความเดือดร้อนความเป็นทุกข์ การแสดงธรรมไม่เผาสัมผัสกับเรื่องของจิตหให้ตั้งเรื่องของจิตตัวเองที่พิจารณาอารมณ์ส่วนใดเอาไว้การแดาสดงธรรมไปสัมผัสกับเรื่องของจิตรับฟังกันไปนี่เปนเรื่องการฟังธรรม ฟังด้วยดียอมเกิดสติปัญญาขึ้นฟังไม่ดีก็เกิดความพุกความลำพานในการสะดับรล้ฟังฉะนั้นวันนี้เป็นวันประชุมสำหรับพระภิกษุสามนเนรตลอดถึงพวกอุบาสิกาที่มาจากสถานที่ต่างๆไม่ว่า่ายนักบวช หรือฝ่ายพระว่าที่มาถูงสถานที่นี้ต่างคนต่างมีศรัทธาตามยินดีตามพอใจมุ่งมาปรเพื่อปฏิบัติเพื่อกำจัดวิเลศสัญหากำจัดทำส่วนช้าลามกออกจากตัวไม่ได้มาโดยการเรียกร้องหรือเรื่อเชิญ มาด้วยน้ำใสใจตัดขาของตัวเองฉะนั้นการมาถึงสถานที่พักาอาศัยถึงวัดถึงว่าแล้วบอกคืออาการกํกำหนดจิตกำหนดใจของตนอย่าให้กังวลเกี่ยวข้องส่วนเรื่องอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรก็อย่าไปติดตามเกี่ยวข้อง ส่วนอนาคตจะเป็นใจข้งหน้าจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของอนาคตปัจจุบันทิ่ใครคิดทิจจรณาอะไรก็ให้ทราบถ้าหากเป็นฝ่ายต่ำฝ่ายชั่วฝ่ายเสียขอพึงสำระหรือสอนคิดให้กลับมาพิจรารณาส่วนที่เป็นทางดีทางชอบทางเยือกทางเย็นทางบุญทางสุกสน มีเป็นการแนะตนสอนตนให้มีความสุขความสบายเพราะต่งางาต่างคนมุ่งหวังต่างใจอยากจะมีความสุขความสบายหัวหน้ากันเมื่อความสุขความสบายไม่มีภายในใจจะไปใสคิดหาความสุขความสบายภายนอก วาส่วนนั้นจะเป็นสุขส่วนนี้จะเป็นสุขยวผมบิ่งบุญไปสู่ทางนอกภาฮาเปลี่ยนความสุขความสบายมันเกิดขึ้นจากจิตจากใจของตนไม่มีอยู่ที่อื่นภาหาจิตของเรามีความสุขความสงบความเบิกบานความสว่างสวัภายในใจของตนความสุขส่วนนี้เป็นความสุข มีในตัวแล้วส่วนเรื่องอื่น้ายนอกก็เลยลอยสุกไปตามๆกันเราจะอยู่รวมไม้หรือจะอยู่ชายเขาจะอยู่ในวัดในวัดคูดีวิหารถ้าทาจิตของเราเบิกบานจิตของเราแจ่มใสจิตของเราเยือกเย็นเป็นธรรมเราจะมีความสุขขั่วไปถ้าหาจิตของเราเป็นทุกข์จิตของเราเดือดร้อนจิตของเราวุ่นวาย จะไปอยู่ในสถานที่ใดถึงสถานที่อยู่จะดิ ด, ดีขนาดไหนใจที่เดือดร้อนย่อมไม่มีความสุขฉังนั้นการฝึกอบรมใจจึงเป็นของสำคัญที่บัณฑิตขั่วไปในสมัยพุทธกาลหรือปัจจุบันนิยมการฝึกถ้าฝึกได้จิตนี้มีคุณค่าจริงฝากของขั่วไป คุณค่าของจิตที่ฝึกได้ฝึกส ง, งบได้ฝึกเยือกเย็นได้ซสินของถิ่นมีคุณค่าราคามากจึงควรพวกเราทุกท่านจะฝึกจะอบรมจิตใจของตอนให้เข้าหาความส ง, งบสุขภายในอย่าไปให้จิตเพี้ยนพ่านหรือปรุงปรงุงอย่างภายนอกวิธีอุบายฝึกจิต โดยส่วนใหญ่ครูอาจารย์ที่เคยฝึกมาแบบไหนท่านก็มักอยากจะสอนวิธีของท่านเป็นการฝึกเพราะท่านเคยได้เคยเห็นเคยดีเคยเด่นมาจากการฝึกแบบนั้นมีพวกเราท่านที่ยังไม่ได้เคยฝึกหรือเคยฝึกมาแล้วก็พึงเอาวิธี ของตนที่เคยสึดเห็นผลมาแล้วอย่าไปตับคุกทำปูดของคนอื่นว่าฝึกแบบนั้นดีสึดแบบนี้ผิดถ้ารอย่างนั้นจิตใจก็จะเกิดตามลังเลสงสัยเราเคยสุกได้ผลมาแบบไหน็กติฝึกไปอย่างนั้นส่วนคนที่ยังไม่เคยฝึกผลอบรมทางจิตใจเราจะทำใหม่ทำดีใน ทำสอนของพระพุทธเจ้าสสี่สอนเอาไว้ผมมีมากมายที่เราจะเลือกคัดจับหามาอบรมภาวนาสอนจิตของตนจากกำหนดลมหายใจให้สติอยู่กับลมก็ได้พอลมหายใจไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศ ล, ไ ม, ศลไม่ดีไม่ชั่วไม่ทําให้คนกําหนดไม่ทําให้คน จิจาลนาจิตหวังเขาพุทธเจ้าก่อนที่จะเด็กแตสรู้เป็นพระศาสดาพระองค์ก็เคยฝึกภาวนาจากลมหายใจของท่านคือกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่สม่ำเสมอเอาสติตั้งเอาไว้ไม่ให้จิตใจปุ้งไปในส่วนอื่นผลที่สุดคิดไม่ได้ไปเกี่ยวกอะ ขัวพันกับเรื่องภายนอกจิตก็เลยลงได้รวมได้มีความเยืยเยบอบเย็นเบาสบายนี่เป็นวิธีหนึ่งหรือจะบริกรรมพุทโธพุทโธหรืออาราังอาราถังอะไรได้ทั้งนั้นเพราะจิตใจของพวกเราท่านสาดไม่นีเครื่องเกี่ยวเกาะไม่มีเครื่องยึดมักอยากจะฟุ่มฟูงติดตามสัญญาอารมณ์ต่างๆแต่นั้น ตามสัอจิตให้ใสงบ่ันจึงสอนทำบริกรรมให้หรือเพ่งที่นี้พิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อให้จิตของเราหยุดย่างอยู่ในทำบริกรรมหรือในสิ่งที่เพ่ง น, นั้นไม่ให้จิตตามสัญญาอารมณ์ขั่วไปเมื่อดดใดจิตใจยังไม่สงบ ร, รวมเราจะ อบริกรรมอยู่อย่างนั้นให้ผูกิจคิดว่ากรรมฐานที่เราภาวนาอยู่นี้เราจะกำหนดลมกวีดกำหนดพุโทโธธรมโมสังโโกวีดเป็นสิ่งที่จะนำความสุขความสบายมาให้เป็นสิ่งที่จะทำจิตทำใจให้สงบลงลวมส่วนอารมณ์อื่นที่เราเคย คิดเคยฟูนเคยติดตามมาถ้าหากว่าเป็นทางรวมรของจิตเป็นทางที่จะเกิดความสงบสงัดเป็นทางที่จะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นกิเลสเราเคยติดตามอารมณ์ส่วนนั้นมาเป็นเวลาระยะยืดยาวแต่จิตใจของพวกเราท่านก็ยังฟุ้งฟูง้แล้วรือเดือดร้อนไม่สงบขุ่นวายขุ่นมัวอยู่อย่างนี้แสดงว่า อารมณ์ที่เราเคยติดตามทั่วไปนั้นในใจธรรมะสีพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนจิตใจของผววเราจรึงไม่ได้รับความเยืเย็นสบายฉะนั้นการอบรมจิตใจการฝึกจิตมั่นในคำบริกรรมหรือในลมหายใจเราต้องเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ติดตามอารมณ์อะไรที่ผ่านมาหรือปรุงสึ่งใจ นอกจากําบริกรรมเท่านั้นนอกจากการกำหนดลมเท่านั้น mm. เมื่อเราตั้งมั่นอย่างนั้นจิตใจที่เคยสายแสเยหันไปตามเส้นยาวต่างๆจะสงบจะรวมรวมแล้วได้ความสว่างสวยไนความเยือกเย็นเรื่องของใจจึงจะเกิดศรัทธาว่าแข็งขึ้นความความเป็นความเห็นรสชาติของความสงบสงัดได้มาสัมผัสกับตัวของเราแล้ว เราเห็นเด่นชัดแบบความสงบสงัดมีความสุขความสบายอย่างนี้ความเชื่อที่อยากจะกจะทำบำเพ็ญเกิดชวีกูนขึ้เมื่อมีความเชื่อความเพียนก็ติดตามมาสัญชาิริยะจิตตะวิมังสาซึ่งเรียกว่าอิปิบาจะ้อมในจิตที่เห็นที่เป็นอย่างนั้นทำทำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนบุคคล ให้มีความเยือกเย็ยนเป็นสุขท่านสอนไปแบบนี้และผู้ที่ได้ที่เห็นที่เป็นมาท่านก่อึกมาแบบนี้พวกเราท่านทุกคนมุ่งหวังอยากจะให้จิตของตนเป็นปู่สนมุ่งหวังอยากจะให้จิตของตนปนกิเลสบอกฟืเดินตามถนนห้องทางที่พระพุทธเจ้าบอกอย่าไปเชื่อเรื่องของมารหรือ โดยม า, มากมักอยากจะมีมานมาแต่ชิดไม่เหมือนเวลาภาวนาไปนัง่งอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ถูกเนืเหนื่อยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เชื่อเหนื่องพ้องมานไปจิตใจก็เลยไม่ได้รับความสุขความสบายอะไรแต่นั้นวันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่มุ่งมั่นมาปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา รีบทำจิตทำใจท่องตนอย่าให้กังวลกับเรื่องอื่นภาวนาหาความสุขจากจิตให้ได้จิตมันเบามันสบายอย่างไรจิตมันเป็นไปอย่างไรก็ไม่ใช่ใครอื่นที่จะเห็นตัวตัวของตัวเองที่มีส ต, ติที่ิจรณาอยู่นั้นแหละจะเห็น ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสันติปีโก้ผู้กระทำบําเพ็ญจะต้องเห็นเองในความเป็นความไปอยากละเอียดอย่างไรจะรู้จะเข้าใจจากการเห็นการเป็นของตัวถ้าไม่เห็นก็หน้าวันที่จะไม่เชื่อเรื่องของศาสนาว่าพระเจ้าพระสงฆ์หรือพระศาสดาสอนเล่นศาสนาเป็นโมฆะ เลยไม่มีความเสื่อฟความเหลื่อมสายื้อว่าใะ้เก่าพระสงฆ์ mm. บวเรียนเช่นอ่านอยู่ในวัดในว่าเป็นผูวเอารัดเอาเปรียบไม่ได้ทำมาค้าขายอะไรกินแจ่อาหารนุ่งห่มแจะค่าทอนทอนสมายที่คนอื่นหามาให้เลยซื้อว่าใชจเก้าพระสงฆ์ไม่มีสาระประโยชน์อะไร เนี่ความเห็นมันจะเป็นไปเพราะสมัยนี้โดยส่วนใหญ่มันเป็นไปแบบนี้คนที่เห็นที่เป็นไปแบบนี้ก็ไม่เคยฝึกเคยอบรมทางจิตทางใจได้แต่เนื้แก่คิดกวาดทานเอาเปรียบคนอื่นแก่ตัวของเขาเองเมื่อเขามาบวชเขามาฝึกซ้อมด่านภาวนา หรืออยู่วัดอยู่ว่าบังคับกายวายจาและน้าใจพ้องตนอย่างพระเจ้าพระสงฆ์เขาจะรู้จะเข้าใจว่าเป็นพระเป็นแนนเป็นของลําบากไม่ใช่ฟ้องง่ายถ้าว่าเป็นฟ้องง่ายเป็นฟ้องสบายได้เกลียบพวกฆราวาสญาติโยมแล้วพวกนักบวชจะมีดาดดืนถี่เป็นฆราวาสญาติโยมจะมีน้อยเพราะใครก็ชอบ ความสุขความสบางนี่ไม่เป็นอย่างนั้นควายจะเป็นพระเป็นเนเป็นครูเป็นอาจารย์คนได้ต้องฝึกเพรมานกายใ จ, ใจมาพอต้องปวดตาดีธรรมดาทําเป็นตาบอดกูขี่เคยชอบเคยเห็นกูไม่ให้ไปดูหูขี่เคยรับฟังเสียงต่างๆกมไม่เห็น ไปรับฟังมัเห็นไปฟังในส่วนนั้นใจที่เคยคิดคิดข้องปุ่งปรุงไปในเรื่องของโลกต่างๆากว่หาหักแ้ามมันเป็นของลําบากของยากไม่ใช่เล่นเหตุ น, นั้นเป็นพระเป็นเนนอยู่ในวัดในวายังมีส่วนน้อยผู้ที่ฝึกหัดดัดตัวได้เห็นประโยชน์เกิดขึ้นจากการฝึกตัวเองเห็นรสชาติของพระศาสนา ที่ฝึกอบวมมาเชื่อมั่นสามากถผลทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างคงเส้นคงวาปลูกประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเป็นอยู่เฉพาะตัวข้องตัวอย่างนี้จึงจะอยู่ในพระพุทธศาสนายืนยงคงคนไปได้พอเห็นคุณค่าของเรื่องของศาสนาถ้าหากไม่เห็นคุณค่าอะไรเลยการจิตตารางก็ยังมีเวลากาหนด ออเท่านั้นปีเท่านี้เดือนส่วนการเป็นทาเป็นเนนท่านก็ไม่บังคับบัญชาอย่างนั้นแต่ก็ลําบากยากเย็นเป็นทาเป็นเนนจะไปดูหนังฟังเพนต่างๆเหมือนนักกดษในดักผิดถ้าทำดีในทำสั่งสอนของผู้ใต้จ้ า, าเหตุนั้นจึงมีการกักขังอยู่ทุกวันทุกเวลา ท, ทําเป็นตาบอดหูหูปากที่เคพูด ถามไปตามเรื่องต่างๆก็มีการหักห้ามเอาไว้เหมือนกันการเป็นทาเป็นเนนจึงเป็นของอัมบาเป็นของยาสําสหรับบังคับตัวเมื่อบังคับตัวได้รู้เห็นเป็นขึ้นจากอัตธรรมสิพระพุทธเจา้าแนะนํำถ่มสอนเชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นอะไรก็จะไม่มีโอกาสไม่มีเวลาอํานวยให้เท่ากับ กับเป็นเพจพระเพจเนรพอเพจพระเพจเมนไม่มีการงานด้านอืน่นนอกจากจะฝึกอบรมตัวนอกจากจะทำจิตทําใจให้เยือกเย็นให้ใส่ใจในอาจในธรรมเหล่ า, านั้นก็เลยเชื่อมัน่นแล้วก็ยินดีในความเป็นอยู่ของตัวครูอาจารย์ที่มีอายุยืนมาและได้แนะนํถาถ่ายสอนพวกสารนจิตขอเคารท่านคิษ ผ่านปรุงผ่านฝึกผ่นซ้อมของขันมาอย่างนั้นจนเห็นผลประจับชัดเจนแต่เรื่องของจิตเป็นนามธรรมาในใจวัตถุดีเด่นเป็นอย่างไรจะยกมาให้คนอื่นดูเหมือนวัตถุภายนอกไปได้เหตุนั้นผู้ฝึกผู้อบรมยยจิตใจเียงๆบอกแต่อาการความเป็นไปเท่านั้นบางสิ่งบางอย่างที่ละเอียดเข้าไป ก็บอกไม่ได้เพราะแะต่สมมติไม่ถูกก็รู้ก็เห็นก่อเดินอยู่ในดวงจิตของท่านที่สั่นเป็นสั่นเห็นเฉพาะตัวของท่านฉะนั้นพวกเราท่านอยากเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยากเป็นผู้มีความสุขความสบายในกายในจิตขอพึงฝึกอบรมเรื่องภาวนาสอบไปจิตใจที่เคยฟุ้งเฟือยจิตที่คล่อง ในเรื่องอารมณ์สัญญาต่างๆจะส ง, งบลงไปเท่าไรมันก็จะไม่ไปเพราะเห็นว่าเรื่องภายนอกเป็นของผี่ไม่มีสาระประโยชน์นอกจากการกําหนดจิตกําหนดใจปล่อยปากเล่าวางสัญญาลามต่างๆให้เข้าไปอยู่เอกเสตัพศแก่เฉพาะเรื่องของจิตท่านเห็น ท่านเป็นอย่างนั้ น, นท่านจึงเชื่อมั่นว่านิรามิเษกสุขเป็นความสุขอันเลิศประเสริดกว่าความสุขของอามิเษภายนอกใครจะยกสมบัติแต่ฐานอะไรให้ถ้าหากท่านเป็นท่านเห็นท่านรู้ถึงอักธำภายในใจจริงจังเชื่ออย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นตบาตท่านองค์นั้นจะไม่มีความยินดีพอใจในเรื่องภายนอก ท่านจะเชื it, no no ่อมั่นยึดมั่นอยู่ในหลักของธรรมสม่ำเสมอไปเพราะความสุขของธรรมเป็นความความสุขที่เด่นเสริฐสุดยิ่งกว่าความสุขของโลกสันจึงว่านั้นิสันติปรลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบนั้นเป็นอย่างไร เราทีมยังไม่เห็นไม่เต็นไปในการฝึกซ้อมในการภาวนาคอบคัวจะสุมาาส่มเดาเอาด้ความสงบของกายทีม่มีโรคภัยไข้เจ็บเดียดเดือนเราขอบครจะทําการทํา ง, งานหรือไปที่ไหนมาที่ไหนได้สะดวกสบายความสุขความสงบของครอบครัวเราทารกใไม่ทะเลาะเบาแวงกัน มีความสามัคคีรมเกี่ยวกันครอบครัวนั้นก็มีความสุขตามฐานะหน้าที่ความสุขของวัดว า, าศาสนาพราเน้นไมือนเกินไขาระเนรเหมือนมีการทะเลาะบาแหว่งกันก็มีความสงบถ ง, งาัตปฏิบัติอักธรรมได้เป็นเม็ตเต็มหน่วยความสุขของโลกของประเทศชาติก็เหมือนกันเกิดขึ้นจากความสงบถ้ามีความสงบแล้วมีความสุข จิตใจของเราหากมันสงบไม่พุ้งเรุงไปสู่สัญญาอารมณ์ภายนอกคิดแต่ทางอัดทางทาทางละทางถอนเรื่องชั่วออกจากจิตอยู่เส ม, สมอจนจิตละทมชั่วทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจจิตข้องสงบหลาบจากลงไปเีเรตอะไรที่เป็นเสืนน่อนหนาม ต่อใจไม่มีแล้วจิตสงบเต็มที่ก็เลยมีความสุขอันไปเนส่วพิเศษเกิดขึ้นจากจิตเองเพราะจิตไม่มีโรคไทยไม่มีอะไรไปเกียบแทนงมีความสุขของศาสนาความริงศาสนาก็ไม่ใช่อยู่ในสถานที่อื่นอยู่ในคนเราทุกคน คนเรานี่แหละเป็นตัวศาสนาผู้ที่จะยังศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองกอเพาะมนุษย์เราผู้ที่จะทําศาสนาให้เสื่อมร่มโจรลงไปก็คือมนุษย์เราความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเป็นตัวของศาสนาแล้วใครเป็นคนว่าคนทำบกคคลเองเป็นคนไปทําไปว่าหรืใช่เรื่องนี้อยู่ที่อื่นศาสนาหาคนที่จารนา เรื่องของศาสนาเข้าใจชัดเจนว่าตัวของมนุษย์บุคคลนี้เป็นตัวของศาสนาก็จะไม่มีการคิดเบียดเบียนกันมมีการคิดจะล่าศาสนาเพราะจะเป็นมาศาสนาคือศาสนาเสียเพราะตัวของตัวเองเป็นตัวศาสนาเราทำดีถึงจะ ไม่ได้ศึกษาทางาสนามาพระพุทธเจ้าประว่าทํารมถูกต้องตามคำสั่สอนของพระพุทธเจ้าเพราะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผั่วไปจะมีมากมายขนาดไหนตัสรุปลงแล้วสภาพรปราประจักรนั้นท่างทั้งหลายอย่าไปทำชั่วความชั่วทางใจก็อย่าไปกระทําความชั่วทางวายใจาก็อย่าไปพูดทำความชั่วทางใจก็อย่าไปคิด สารสูบประจำบัจจาให้ถึงซ้อมด้วยการสูญผลคือให้ทำดีทางกายทางวาจาทางใจนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคนทิ่ที่นี้ที่เจรนาอย่างนี้ควจะรู้ว่าศาสนาอยู่กับตัวมนุษย์เราไม่ได้อยู่ที่อื่นเพราะความชั่วอยู่ในจิตใดความดีกว่าจะอยู่ในที่นั้น เหมือนกันกับความมืดความสว่างถ้าเราดับไฟลงไปหรือไม่มีแสงทิศแสงกันความมืดตัวจะเกิดขึ้นถ้ า, ามีแสงไฟตามสว่างอยู่หรือมีแสงท่าทิศแสงให้กันความมืดตัวจะหายออกไปมีความดีความชั่วก็ อ, อยู่ในตัวของเราอยู่ในใจถ้าหากเรามีความมีวินัย จิตใจเป็นอาจเป็นธรรมจริงจังเรื่องท้องโลกเรื่องท้องสมุติเรื่องความชั่วต่างๆจะไม่เกิดขึ้นหาเราเป็นคนชัว่วอาจทำทำต่ า, า, า, า, า, างนซึ่งเป็นข้องดีวิเศษก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเหมือนกันแต่นั้นใายใจของเราจึงเป็นต้นของศาสนาควรที่เราจะศึกษาควรที่เราจะมีนิพิจรณานะะ เลือกเป็นเอาสังแกฝฝายดีฝายชั่วฝายตำฝายเสียตำจัดปัดเป่าออกไปพอใจเป็นของที่ฝึกได้ไม่เหลือวิสัยถ้าจังใจฝึกอบรมจริงจังใจเห็นจะเป็นขึ้นเพราะทำคำสั่งสอนเขาผู้พุทธ จ, จ้จาวสืสอนมามีผู้ผู้เห็นเป็นพา ย, ยานกับพระศ า, าสดามานับไม่ถ้วนทหาพวกเรา ที่นี้ที่จนนะฝึกซ้อมปฏิบัติตามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรากุคนหนึ่งจะรู้จะเห็นจะเป็นพยานของพระพุทธเจ้านะแบบความสุขของมนุษย์ความสุขของคนนั้นไม่มีอยู่สถานที่ใดมีอยู่ในกายในใจความสงบเป็นความสุขอันเลิศอันไปเสดจะรู้จะเข้าใจถึงไม่ เข้าถึงขั้นสงบค้นกินเลสเชี ย, ยงสงบจากอารมณ์ชัญญ้นยานิวันทั้งหา้าเท่านั้นก็จะได้รับความอาศัศจรรย์เชื่อมัน่นในธรรมำคำสังสอนดังนั้นพวกเราท่านที่ตั้งหนา้าต่างตามาศึกษามาภาวนามาหาความดีปรกอบพึงแนะสอนตัวในทีนี้จิตใจนานำธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปปัดเป่ากิเลสตัณหาภายในกายวายจา และน้ำใจของตนให้สะอาดหลุดไปแล้วก็จะมีความสว่างไสวมีความปองใสเยือกเย็นเกิดขึ้นจะเชื่อมัน่นในําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะยังคงเส้นคงวาอยู่เป็นอาการิโกตวจิตถึงท่านแต่ปินิ้พานนานไปสั่งสองันห้าร้อยกว่าปีขนาดนี้ําก็ยังคงที่คงเส้นคงวาอยู่ ผู้ปฏิบัติยังเห็นยังเป็นเด่นดวงอยู่เพราะเรารู้เราเห็นเราเป็นอยู่ในจิตของเราถึงคนอื่นเขาจะลุมจะหลงทั่วโลกกว่าตามเขาจะทุกข์ทั่วโลกกว่าตามแต่เรามีความสุขเรามีความสบายเรามีความสว่างสวัเราเยือกเย็นภายในใจก็เลยชื่อว่าชาตนายังคงเต้นคงว้าอยู่ในตัวของเราถึงคนอื่นเขาจะดีเด่นเป็นธรรม ถึงจิตสุดมืดนี้ผ่นานทั่วไปกว่าตามแต่จิตของเรายังมีกิเลสปัญหามานาทิกผิดยังมืดมนอนทก า, ารยังวิ่งบนตามสัญญารมต่างๆกิเลสยังแผดเขาเร่าร้อนอยู่ทุกการทุกเวลาคนอื่นเขาจะดีเป็นเหลืองข้องเขาแต่เรายังชั่วอยู่เพาได้ชื่อว่าปู่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เห็นสาธนาธรรมธรามต่างๆของพระพุทธเจ้า แต่นั้นาศนาสนธรรมคําสั่งสอนยนพอมาก็คือกายวาจาและน้าใจของตัวไม่ได้อยู่ได้สถานที่อื่นเมื่อเรารู้เราเข้าใจว่ากายของเราใจของเราเป็นที่ตั้งของาศาสนธรรมคําสั่งสอนแล้วส่วนใดที่จะเป็นสาระประโยชน์ส่วนใดที่จะนําความสว่างสวัยความสุขความเจริญมาให้บอกคือตั้งหน้าต่าง ต, า, งตาประพฤติปฏิบัติส่วนใดที่ เป็นาฟชั่วไยเสียก่อพึงกำจัดปัดเป่าออกไปเมื่อทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาพิจะะารณาและปฏิบัติอย่างนี้คุณงามความดีที่ยังไม่ได้ไม่ถึงกวจะได้แต่ถึงต่อไปวีมุตเป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไรจะทราบแทบภายในใจคู่ประพติปฏิบั ต, บติแต่นั้นจึงขอเชิญชวนหรืออาราธนาทุกท่าน ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอาจทำอย่างเสียที่บายมา